เ่็นฟังที่เคารพค่ะช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาซึ่งสาระหลักเป็นเรื่องของพุทธวจนะตอนนี้เราออกพรรษากันแล้วในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนั้นท่านพภบูลจะมีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ที่เดิมร0อเปอร์เซ็นหรือไม่ขณะนี้ท่านก็อยู่หน้าที่นี้แล้วนะคะน้นสัส ก, การค่ะท่านคะเชิญพานค่ะ อ, ออกพรรษาแล้วก็ตามใจฉานลวทีนี้ <st it> <c oughs> ตามใจฉันแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของพุธทวัจนะอยู่ดีไหมคะใช่ <S <s ใชถูกต้องก็จะต้องไม่หนีออกไปจากสิ่งที่พระเจ้าสอนค่ะ <c oughs> ถ้าจะไม่ให้ตกยุกคกับค่ะท่านคะยังไงก็ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมแน่นอนคิดว่าทุกที่ก็โดนกันหลายๆที่เนาะค่ะแล้วก็เรื่องน้ำท่วมมันก็เป็นกระแสที่พัดไปพัดมาน้า ทีพ่พระเ้าเคยพูดถึงเรื่องกระแสนี้อย่างหนึ่งว่าอย่าให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามกระแสนะคือหมายถึงกระแสของตัณหาที่มันไม่ดีอย่างเช่นว่าเราอยู่ในสถานการณ์เนี่ยอย่าให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามกระแสว่าเฮ้ยเรามีโอกาสขโมยโอกาสลากโอกาสทําไม่ดีอย่าให้จิตของเราไปอยู่ในแดนลบอย่างนั้น <Okay. S 1> ให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในด้านบวกแดนบวกเพราะว่า ถ้าจิของเราอยู่ในแดนลบเมื่อไหร่นะคุณสันสนีมันจะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยไม่ถูกผิดพลาดค่ะนะพอมีการตัดสินใจผิดพลาดจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ท่านผู้บุญค่ะ ด, ดิฉันเข้าใจว่าคนถ้าถึงขนาดมาหยุดฟังรายการสรรสนีสนทนาที่พูดธรรมะกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ไหลไปตามกระแสในทางที่อยากจะไปขโมยของใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ, อ, อยากได้ของคนอื่นแต่ว่ามัก อาจจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่ว่าหุดหงิดนะคะมันโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธสถานการณ์อย่างเงี้ยคะ่ะก็นี่ไงถือว่าไหลไปแดนลบไหมคะถูกต้อง ถ, ถือว่าไหลไปแล้วเนะเพราะว่ามันไม่ใช่เราโดนคนเดียวะนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พรามเทศมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้นะก็คือว่าขอของที่มันมีการเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเปลี่ยนเลย นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เราโดนคนเดียวเพรา ะ, ะเราจะมาเราถูกลูกศรโดนดอกหนึ่งนะคือถูกน้ําท่วมอันนี้โดนดอกที่หนึ่งแล้วเราจะโดนพิษของมันไหม <Okay. S 2> นะเราจะโดนความเสียดแทงของมันอีกไหมนี่ก็ อ, อยู่ที่ว่าเร า, เร า, เ, ราเราทําใจได้หรือเปล่านะคนที่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาถูกไหลไปตามกระแสแห่งตันหาบางคนนะคุณคุณติวเตีวเขาไม่ได้ถูกน้ําท่วมอย่างเดียก็ท่วมขาวเลยนะโอ้โหฟังข่าวนั้นข่าวลเลือแรงต่าจนมึนไปหมด คนที่ไม่ได้ถูกน้ําท่วมก็ถูกข่าวท่วมด้วยแล้วก็ว่าเป็นเดือด เ, เป็นร้อนกันขึ้นมาก็มีอะมันวิตกเลยคะ่ะท่านโดยเฉพาะถ้ามันมาใกล้บ้านเราใกล้บ้านคนที่เราเป็นห่วงอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละทํายังไงดีอะค ะ, ะเพราะบางทีมันจะเกิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไปกลัวมันมีประเด็นตรงนี้นะที่ว่าอย่างตอนที่ญี่ปุ่นเกิดสึนามิค่ะอะคุณยมติวจําได้เนอะเราดูข่าวเห็นข่าวอย่างเงี้ยนะอุ้รู้สึกสงสารเขานะ อแต่ก็จะมีใจช่วยเหลืออะไรต่างก็ตามเหตุปัจจัยที่เราทําได้ใช่ไหมทีนี้ถามว่าคนที่ดูข่าวจําเมื่อสองสามเดือนที่ร้าราดูข่าวนะกับตัวเองโดนตอนนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะค่ะนึกออกไหมคนที่อยู่ในสถานการณ์เองเนี่ยถูกผัสสะที่ไม่พอใจบดบังแล้วเนี่ยน้ําก็ท่วมขาอยู่คนช่วยก็ไม่มีลูกเต่าก็ไม่รู้ไปไหนสามีคนอยู่ใกล้ตัวก็หาไม่เจอฉันจะทํายังไงเข้าของจะก็มีมันไม่เหมือนกับดูทนะีวีนะท่านคะ ดิฉันเองก็ไปในพื้นที่ที่น้ําท่วมก็ไปแล้วก็ไปดูที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยของร uh ัฐบาลก็ไปทุกวันนะคะ uh huh. ทีนี้จะเปรียบเทียบกันว่าเวลาไปเจอคนที่ประสบเหตุน้ําท่วมคนหนึ่งก็จะบ่นถึงสถานการณ์ว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดี uh huh. อย่างนี้คนนี้ปฏิ บ, บัติต่อตัวเองไม่ดีก็อาจจะเป็นเพราะมีประสบการณ์แบบนั้นมาแต่ในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็เจอน้ําท่วมเหมือนกันนะคะก็พูดในลักษณะที่ว่า ขอให้ทุกคนนะอย่าไปตำหนิติเตียนใครอย่าไปโทษใครวันนี้มันก็เจอหนักด้วยกันทั้งนั้นออืให้ช่วยๆกันถูกต้องถูกต้องคือเอาแค่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะเอาแค่คว่าคนอื่นเขาด่าเราเรื่องที่เราไม่ผิดด้วยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำถูกต้องด้วยนะเราก็ไม่ควรโกรธเราไม่ควรจะโทษเขาด้วยนะว่าเขาเธอมาด่าฉันทำไมแกมาด่าฉันทำไมแต่ว่าเราควรจะโทษตัวเราเองว่งาทำไมจิตของเราเป็นบ้าไปโกรธเขาได้ไง เพราะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติหรือเรื่องอะไรเนี่ยอุยเราไม่ควรจะโกรธไม่มีเหตุผลของความโกรธในโลกก็แก้ไปตัวตัวป่วยแล้วตัวเจ็บแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าร่างกายเราอะนะถูกถูกสิ่งที่ไม่พอใจโดนเข้าแล้วเนี่ยถ้าเราเราจิตเรามาโดนด้วยนะโอ้โหคุณจะช้ําคูณ2เหมือนถูกลูกศรสองดอกแทงเพราะนั้นวิธีแก้เนี่ยนะคือเราจะต้องอเข้าใจเรื่องธรรมชาติของจิตตรงนี้ก่อนใช่ไ ม, ไมคือเข้าใจเรื่องผัสสะละ เอาแล้วทำยังไงก็ทําในลักษณะที่ว่าคนหนึ่งเขาก็โดนเราก็โดนอันนี้ทําใจได้วิธีหนึ่งเราจะไปมากินข้าวไม่ลงการงานไม่เดินแล้วก็มาเศร้าใจอยู่ไม่ได้ใครๆก็โดนทั้งนั้นอันนี้คิดได้แบบนี้ก็แบบหนึ่งที่ผู้เช่าเคยบอกพระเจ้าเปรตที่โกศนก็ใด้เหมือนกันคือตอนนั้นพระเจ้าเปริที่โกศนเนี่ยภรรยาตายาแล้วก็เศร้าใจมากกินข้าวก็ไม่ได้งานก็ไม่ทํานอนก็ไม่หลับ พระพุทธ้าก็เลยพูดกุศโลบายนี้ให้ฟังนะว่าคนหนึ่งก็โดนเหมือนกันคนหนึ่งก็ตายเหมือนกันค่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองนี่คือเป็นเหตุเป็นผลนะนะค่ะอะเราก็ต้องแก้ไปตามเหตุผลอันนี้จะช่วยเราได้อคเราก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตอย่างเงี้ยอย่างที่เรามาบอกอว่าเห็นในทีวีว่าคนอื่นเขาเป็นเนี่ยนะมันยังไม่เจ็บเท่าตัวเองโดนเอง แล้วท่านอาจารย์มาพูดอะไรให้ปล่อยวางโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกมันเยอะมากนะมันเรา <c oughs> ถ้าถ้าเราเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของเขาเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของเขาเนะี่ยของเวทนาที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ความไม่เที่ยงของน้ํานะ <c oughs> ความไม่เที่ยงของเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตเนี่ยนะดูง่ายๆญี่ปุ่นโดนเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างหนึ่งตัวเราโดนเองมีความรู้สึกเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง มันเหตุการณ์คล้ายๆกันนะของเรานี่ยังไม่หนักเท่าเขาด้วยนะของเขายังมีความหนาวยังมีกรรมตรังสียังมีแผ่นดินไหวอีกของเรามีแค่น้ําอย่างเดียวอืมค่ะก็เท่ากับว่าท่านกาลังจะบอกว่าให้พยายามเข้าใจในเรื่องของจิตว่ามันไม่อยู่คงที่อย่างนั้นเสมอไปต่อความรู้สึกต่างๆถูกไหมคะใช่สิ่งที่จะเกิดตามมาคือเราจะปล่อยวางได้ค่ะนะคะอันนี้ ถ้าสมมุติว่าเป็นพุทธวจนะพอที่จะพูดให้ฟังก็เมื่งไอ๋อเมื่อจิตเนี่ยนะเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วใช่ไหมผู้บิจภาพกาจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงรู้ได้ตามที่เป็นจริงก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเห็นตามที่เป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นคือเราเห็นตามที่เป็นจริง ใช่ไจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลากำหนัดแล้วจะปล่อยวางได้ค่ะดีฉันไปเจอคุณแม่ชีท่านหนึ่งออืนําของบริจาคไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านศึกษาปริญญาโทอยู่นะคะดิฉันก็ขอธรรมะท่านท่านกระพูดทํานองนี้่ค่ะว่าให้มีสติออืแล้วก็ให้เข้าใจแล้วบอกว่าสติเนี่ย จะช่วยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมหรือเรื่องอื่นๆก็ตามทีและการจะมีสติได้เราก็าเรามีนะคะไม่มีสติเราก็คงเข้าโรงพยาบาลประสาทไปแล้วอะไรเงี้ยสตินี้เหมือนกันไหมคะคือเป็นอย่างนี้การทํางานจะเป็นอย่างนี้คนที่จะปล่อยวางได้เนี่ยเขาจะต้องใครใครกําหนัดคนจะใครกําหนัดได้คุณต้องเบื่อหน่ายคุณจะเบื่อหน่ายได้คุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหม <c oughs> เห็นตามที่เป็นจริงในกรณีนี้ีคือเห็นตามความไม่เที่ยงก็ได้ ทีนี้คนจะเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธินะทีนี้จิตจะเป็นสมาธิได้คุณต้องมีสติไงจิตมีสติใช่ไหมจิตจะนิ่งเป็นสมาธิได้จิตนิ่งเป็นสมาธิได้จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็จะเบื่อหน่ายใครกําหนัดปล่อยวางได้สติมันจะมาเกี่ยวตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกสติฝึกยังไงคะฝึกสติ ก, ก็ใช้ลมหายใจง่ายที่สุดในโลกขนะองที่เรามีอยู่แล้วหายใจเข้าออกทุกวันตอนนอนก็ยังทํา แทนที่จะหายใจทิ้งเฉยๆยิ่งทํางานตักถุงทรายก็ตามช่วยเหลืองานเขาออกแรงเนี่ยยิ่งหายใจถี่ขึ้นใช่ไหมอยากใหาใจทิ้งเฉยๆให้มีสตินะเราคุมสติของเราไว้ที่นี่แนะสติตัวนี้จะเป็นกําลังกล้ามเนื้ออันเดียวกันของจิตนะที่จะป้องกันไม่ให้ความไม่ดีเข้ามาในจิตนะเห็นคนนี้เขาด่ากันว่ากันฉันก็เครียดไปด้วยแต่สติจะป้องกันได้ะจะป้องกันในจิตเราได้ไม่ให้ความชั่วเข้ามาอค่ะนั่นก็คือ สิ่งที่ตอนต้นของรายการก็มีการนําให้ท่านทั้งหลายเข้าสู่การปฏิบัติมาโดยตลอดนะคะโดยพระมาร์ชาคัวโรอันเดียวกันไหมคะถูกต้องฝึกตรงนั้นแหละนะคืออย่างที่จะมาพูดตอนแรกว่าเราดูทีวีญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมธรรมดาจิบจ้อยรู้สึกสงสารบ้างพอเราโดนเองเนี่ยโหมันไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่หนักเท่าเขาก็ตามซึ่งตรงเนี้ยพระเจ้าเคยบอกไว้แล้วว่าเนี่ยอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังนะให้ทําความเพียรเมือม่อเมื่ อ, อไหร่นะ ทุกพิการภัยอันนั้นมาถึงเราเนี่ยเราจะเป็นผู้ผาสุกอยู่ได้ค่ะและอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่าพุทธวจนะของพระพุทธองค์นี่แม่นยําจริงๆเลยครบับครูมันมาแบบเราไม่คิดอะนะคะอืมใช่ไปเจอบางคนกับท่านค่ะบอกว่าหัวน้ํามาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทั้งๆั้ที่คิดว่ามันโคมาไม่ถึงปรับปรับมาปุ๊บเอาอะไรที่สําคัญสําคัญไม่คว้ามาไม่ได้เลยอืมเหมือนเหมือนตายอ่ะ ยเดี่ยวคนตายเนี่ยปุ๊บปั๊บเราก็ไม่รู้แล้วบางทีตายไปแล้วทำไงเข้าของมันก็เป็นของมันไปคืนสู่โลกแล้วถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนเอาไว้เมื่อถึงเวลาภัยมานี่มันฝึกอาจจะไม่ทันไหมคะท้านพุทธเจาจึงบอกว่าอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยค่ะอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยเรียกว่าวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ จากเรื่องของน้ำท่วมซึ่งคงจะท่วมไปอีกนานกันท่านพิบูลคะ่ะก็ท่านคงจะได้มีโอกาสมาให้ธรรมะเกี่ยวกับน้ําท่วมกันอีกท่านพิบูลคะรายการของเราเนี่ยมีผู้ฟังที่ฟังต่างประเทศด้วยเพราะว่าฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะอบอกว่าได้ฟังโดยบังเอิญกุตานคะ่ะแล้วก็ชอบเนื้อหากระชับสาระแน่นมีคําถามบอกอ่านปัญญาสชาดก พบว่าในตอนท้ายเรื่องผู้แต่งมักเน้นว่าพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจแก่ผู้ฟังทำให้ผู้ฟังบรรลุโสดาบันแต่ว่าในอัฏฐกถาชาดกไม่ปรากฏประเด็นนี้เพียงแค่บอกสมูทานใครกลับมาเกิดเป็นใครทำให้กุตานสงสัยว่าเหตุใดผู้แต่งปัญญาชาดกจึงโยงเรื่องการรู้จักเข้าใจอริยสัจกับการบรรลุโสดาบันสองสิ่งนีเกี่ยวยงกันจริงหรือไม่มแม้ว่าสองสิ่งจะไม่ได้เป็นพุทธพจน แต่ผู้แต่งก็ล้วนศึกษาพระไตรปิฎกมาทั้งนั้นก็จึงจขอความประจานจากท่านพิบูลค่ะก็ปัญญาชาดกนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเหมือนกันอัตถคถาชาดกนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเหมือนกันก็แล้วแต่ผู้ไหนแต่งท่านแต่งสไตล์ไหนท่านก็จะแต่งลักษณะนั้นนะนะครูอาจารย์ที่ผ่านมาอย่างอัตถคถาชาดกเนี่ยก็จะแต่งเป็นนิทานเรื่องเล่าเป็นก็เรียกว่าเป็นเหมือนกันนิทานอีศบอะไรลักษณะนี้นะใครทําอะไรเกิดมาเป็นอะไรยังไงนี่คือลักษณะของ อัตถคถาชาดกคัมภีชาดกก็จะมีส่วนนี้อยู่แต่คำพีอัตถคถาเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นชาดกตรงนี้อยู่เป็นนิทาน <c oughs> ไม่เหมืนเถอะส่วนปัญญาชาดกก็จะแต่งกันแตกต่างกันอย่างที่คุณตาลสังเกตนะแหละถูกแล้วแต่ก็เป็นที่ครูบาอาจารย์แต่งขึ้นเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็แต่ละคนก็ท่านก็จะชอบแต่งคนละสไตล์เป็นลักษณะนี้แหละอ <c oughs> ทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นทั้งสองอย่างนี่ก็จะต้องอิงจากพุทธวจนะ ใช่ไหมผู้รูชาวพูดถึงบทไหนก็เอาบทนั้นมากล่าวถึงลักษณะนี้ไปถ้าเราจะศึกษาให้ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องโอเคสมมติคุณจะอา่านชาดกใช่ไหมโอเคอา่านได้ไม่เป็นไรอ่านเสร็จแล้วต้องกลับไปที่พุทธวจนะว่าวพูดถึงอะไรสอดคล้องไหมและประยงเข้ากับพุทธวจนะอื่นๆได้อย่างไรอันนี้จะทําให้ความรู้ของเราเนี่ยแตกชานไปมากะจะย้อนกลับไปถึงต้นตอของที่พู้รูชาวตรัสเอาไว้และจะทําให้เราเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆได้อย่าง อย่างถูกต้องด้วยอย่างงี้น ะ, ะนะคะก็เท่ากับว่าไขาความคล่องใจของคุณตาในส่วนนั้นแต่ทีนี้ดิฉันก็เลยอยากจะกราบเรียนถามต่อว่าแล้วในพุทธว จ, จะนะล่ะคะความสัมพันธ์กับเรื่องอริยศาสตร์กับการเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างไรคะออผู้ที่รู้อริยศาสตร์นั้นในระดับแรกคือมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นโสดาบันนะมีความเห็นที่ยังลงถูกต้องแล้วพระใช้พระเจ้าใช้คำว่าอย่างนี้ มีตอนหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าเวสภูนะพระพุทธเจ้าเวสภูตอนนั้นอยู่อยู่ในป่าก็มีประชาชนนะคุณยมติวเขาก็ประมาณ 8.4.000 คนออกจากเมืองไปสู่ที่พักของพระพุทธเจ้านะพระรเจ้าก็แสดงธรรมอันดับแรกคือพูดถึงเรื่องของทานศีล ส, สวรรค์โทษของการบ น, นิส่งในการออกบวชก่อนพอทุกคนจิตเป็นสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าก็เริ่มละ เริ่มเรื่องอเน ส, สัตต์สนะี่อธิบายเรื่องทุกข์สมุทัยนี้รดมรรคเสร็จแล้วชนเหล่านั้นเนี่ยพอเห็นตามที่เป็นจริงนะคือปริชาเปรียบเหมือนกับผ้าที่สะอาดซักมาดีแล้วอย่างดีแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแปดเปื้อนเนี่ยจะสามารถรับน้ําย้อมได้อย่างดีเันใดนะแล้วก็ทุลีดวงตาที่ปราศ จ, จากมลทินเนี่ยก็เกิดขึ้นแก่มาชนเหล่านั้นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา เพรา ะ, ะนั้นใครที่เข้าใจอริยสัจสีเนี่ยจะเป็นทางไปสู่มรรคเลยทางสู่มรรคตรงนี้นะทางสู่ผลทางสู่นิพพานทางสู่มรรคตรงนี้ก็อาจจะผ่านโสดาบ้างสกทาคามีบ้างอน า, าคามีบ้างอรหันบ้างก็แล้วแต่อินทรีย์บารมีของบุคคลนั้นนะเธอค่ะแต่เรียกว่าอริยสรรรัจนี่มีความสําคัญสําหรับในทุกระดับของการพัฒนาทางด้านธรรมใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะค ะ, ะคะ่ะสงสัยวันนี้จะ มีเวลาที่จะกลับเดินทางกันตามท่านได้แต่เพียงเท่านี้แล้วมั้งคะใช่ค่ะนะคะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วัดของท่านไับูรณ์คือวัดป่าดอนหายศูนย์ดอนธานีกาลังจะมีทอดกรถิ่นวันอาทิตย์ค่ะยี่สิสําหรับคอร์สปฏิบัติธรรมตอนนี้ไปเสร็จวันนั้นเลยหรือเปล่าคะก็จะเสร็จวันที่เสร็จเมื่อวันนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อเสร็จไปแล้วที่ฉันก็เลืนก็เชื่อมโยงไปถึงวันทอดกรถิ่นอย่างไรก็ตามนะคะถ้าท่านสนใจที่จะเดินทางไปก็วันปียะมหาราช พอตั้งแต่ตอนไหนคะก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่ง10ิบโมงสิบโมงเช้าก้าโมงครึ่งสิบโมงิบโมงเช้านะคะประมาณนั้นคือไปเช้าๆนั่นแหละค่ะใช่ๆช่เพราะว่าจะได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่ทำให้จิตตรงนี้มันเกิดกุศลมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเวลาที่จะได้ทำกุศลที่เป็นพิธีกรรมนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านพบูลเอาไว้นโอกาสนี้นะคะไดผ่าน และสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก็ขอเชิญมารับฟังรายการของเราได้ใหม่กันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตอนตีห้าสำหรับวันนี้พุทธวัดสวัสดีค่ะ